วันคือล่วงไปล่วงไปวนะันนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เฉพาะบนประชิตเท่านั้นนะที่ควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองเป็นกุลหัตผู้ควองเรือก็ต้องมันเตือนตนหรือรละลึกถึงอยู่เสมอ ในการระลึกนี่คนเราก็ระลึกได้ร้อยแปดแต่ว่าอย่าให้ระลึกแต่เรื่องที่มันอยู่นอกตัวเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ต้องระลึกไว้อยู่เนืองเนืองด้วยที่ต้อง เตือนตนอย่างนี้อยู่เสมอนะเพราะว่าอาะไรๆมันก็ไม่เที่ยงและทุกอย่างก็มีวันสิ้นสุดนะในวันเวลาที่เราจะอยู่สุขสบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคนะ นีกำลังวังชามีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถจะทำอะไรต่ออะไรนะตามใจได้มากมายไอ้ควาเวลาอย่างนี้มันมีวันสิ้นสุดนะถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วย ไม่สามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้ต้องมีความลำบากทั้งทางกายแล้วก็อาจจะทางใจแล้วสุดท้ายก็ต้องตายในที่สุดในด้านยีงไง้ความไม่เที่ยงชื่อแปลว่า ความสุขของเราในที่สุดมันก็สิ้นสุดลงไม่ช้า ก, ก็เร็วไอ้แค่นั้นนี่มันก็ก็แยกอยู่แล้วนะความสุขสบายที่เรามีนี่มันมีวันสิ้นสุดไอ้ที่มันแยกไปนั้นคือนะพอมันสิ้นสุดปุ๊บนี่ความทุกมาเลยความทุกก็เริ่มต้นเลย ขณะที่ยังเสียดายอะไรในในความสุขที่เคยมีก็ต้องมาเจอความทุกข์เอาแค่ความเจยวความป่วยก็พอเตรียมใจนะรับมือกับมันบ้างหรื อ, อยังความแก่ชาราด้วยในตอนไม่แก่ไม่ป่วย ไม่เจ็บนี่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือบางคนก็ประมาทอ้ยสบายไม่อยากอะไรแต่พอเจอเข้าก็จะนึกก็จะตีโพตีพายทุรนทุราย มันทำได้ไม่พอก็ยังรู้สึกเลยโอ้เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ทำอะไรเลยมีอย่งแต่และขนาดแต่และขนาดที่เรามีชีวิตอยู่มีความสุขสบายถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ยังหนุ่มยังแน่นยังอันนี้คือช่วงเวลาของการเตรียมตัว เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ไปรับมือกับความทุกยากที่รอยอยู่ข้างหน้าเราต้องหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแล้วนะความทุกข์ก็บางอย่างก็กําลังเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยซ้ำแต่ละขณะแต่ละขณะแตะแล่ละวันตแต่ละวันนี่ ที่เรายังมีลมหายใจทีเรายังมีสุขภาพดีคือช่วงเวลาการฝึกตนเพือ่อเผชิญกับสิ่งที่ลำบากยากแค้นในวันข้างหน้ามันมันมาแน่ คนส่วนใหญ่ก็ประมาทระเพลินกับความสุขที่กำลังเกิดขึ้นความสุขที่ว่านี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงเรื่องรมความสุขสนานเท่านั้นนะแต่รวมถึงการที่ยังการมีสุขภาพดีมีกำลังวังชามีสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้ ไอ้พวกนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ไม่ค่อยนึกนะไปค่อว่าความสุขคือการมีนั่นมีนี่มีสิ่งที่ยังไม่มีแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันมีคุณค่าย่างไรถึงเวลาที่สิ่งนั้นมันหายไป ห, หมดไปไม่มีเรื่องไม่มีแรงหมดพลังวังชาเจ็บป่วย แม้แต่จะเดินก็เดินไม่ได้ไม่ใช่ไม่อาจจะเป็นเพราะความชราหรือเพราะอโรคภัยไข้เจ็บหรือเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเดินก็แม้แต่เดินยังเดินไม่ได้เดินก็ห้องน้ําก็ทุรัทุเลถึงค่อยถึงค่อยมาได้คิดนะว่า ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ไม่ได้เตรียมอะไรเลยอันนี้เรื่องเพาประมาทคิดเอาไว้บ้างเตืนเอนไว้บ้างวาทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่เวลานี้มันมีวันสิ้นสุดนะสะกวันหนึ่งก็หมดไปไอ้หมดไปนี่ก็ ก็ทำให้เสียใจพอแรงอยู่แล้วไอ้ที่มาแทนที่นี่เลยมันหนักกว่านั้นไอ้ที่มาแทนที่คือความทุกข์ความทรมานความยากลาบากเจอสองเด้งในเวลาเดียวกันเลยของที่ให้ความสุขกับเราก็หมดไปก็ทาให้อาลัยอาวรณ์แล้วต้องมาเจอ ก, กับไอ้ความสิ่งที่ตรงข้ามความทุกข์ความยาก คนหลายคนนะปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปไม่เฉลียวใจนะพอเจ็บป่วยก็โอ๊ยป่วยตีพายอยากจะตายให้ได้เนี่ยใช้ช่วงขณะที่เรายังมีลมหายใจมีสุขภาพดี ใช้เวลาตั้งแต่วันนี้เนี่ยเพื่อการฝึกการฝึกกายฝึกใจให้ม่มีคุณค่าอาชี่เคยไม่เคยทำประโยชน์ให้กับใครเลยก็ต้องก็ต้องคิดทำหาโอกาสทำ ทำปิะยให้กับผู้อื่นเริ่มกับคนใกล้กตัวถ้าก็ไม่เคยทำพ่อแม่ขยายไปถึงคนที่อยู่ใกลตัวทาปบะยให้กับส่วนรวมแท่รู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณนี่ก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะแต่เท่านั้นไม่พอนะ แต่คนส่วนใหญ่แม้กระทั่งผู้มีพระคุณก็ปล่อยปาแล้วเลยนี่ตอบแทนผู้มีพระคุณแล้วก็ต้องอปิจายณาไปสู่คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเป็นเพื่อมนุษย์ที่ประสบทุกข์ช่วยเขาตามกำลัง อันนี้สำให้ชีวิตมีคุณค่าไม่ได้เกิดมาแบบไร้ประโยชน์แต่ว่าควบคู่กันไปนะนะก็คือการนะฝึกใจไว้เพื่อจะได้ไม่ไม่ทุกข์ในเวลาที่ไอความสุขมันหายไป หรือของรักของห่วงมันหายไปไม่ทุกกับความสูญเสียผัดพราดพวกเราแต่ละวันแต่ละวันนี่อยู่แต่ไม่เหลียวใจเลยนะว่าไอ้ของรักหรือคนรักนี่มันสักวันหนึ่งก็จะหายไปไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลย เ, เคย เ, เคยชวนในคนเนี่ยได้นึกถึงคนรักของรักที่มีอยู่เลือกมาสักเจ็ดอย่างเจ็ดคนที่แล้วเขาก็ไม่รู้วกให้ให้เลือมาทำไมแต่พอเขาเลือกเสร็จแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ย มันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นตึกถลม่มอุบัติเหตุรถยนต์เครื่องบินตกซึ่นอเมีแผ่นดินไหว แ, แ ต, ต่แต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็สูญเสียคนรักของรักไปที่เราคนที่เราค น, คนหนคนก็เริ่มร้องไห้ น้ำตาก็ค่อยไหลออากมาบางครั้งก็ตาแดงบอกครัก็ยื้อไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้คนรักของร่างตัวเองจากไปบางครัก็เลิกเล่นเลิกเลิกทำ นี่ขนาดแค่สมมุตินะก็ยังทำแจไม่ได้ที่ทำแจไม่ได้เพราะไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยนึกทั้งที่มันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆข่าวทุกวันก็มีแต่เรื่องพวกนี้แหละแต่พ่อไม่ค่อย น้อมมาใส่ตัวว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนรักของตัวเองนี่ขนาดเป็นแค่สมมุติถ้าของจริงนี่จะยิ่งขนาดไหนและชีวิตรเรามันก็ไม่มีแค่นั้นมันไม่มีแค่สูญเสียพัฒพ้าคนรักของรักมันต้องไปเจอต่ความสิ่งที่ไม่รัก สิ่งที่ไม่ชอบเขาไม่ชอบนี่ก็เป็นคำที่เบาไปนะเรื่นความเจอความป่วยความพิกลพิ ก, การแลก็ความตายที่สุดก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยกันเลยอันนี้ก็น่าเสจได้ ที่ให้คำเตือนใจตัวเองเนี่ยวันคืนล่งไปล่งไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ยจริงก็เป็นคำคำเตือนหรือว่าพิจรารณาที่มันมันยังเบานะเองถามว่าเนี่ยวทวนนี้เราพร้อมพร้อมเจ็บพร้อมป่วยพร้อม พิการพร้อมตายหรื อ, อยังรวมทั้งที่เพื่อไม่สักครู่ทุกวันนี้เราพร้อมสูญเสียคนรักของรักหรือยังถามตัวเองบ่อยๆเตือนตัวทุกวันอย่าประมาทนะคิดว่าเรายังหนุ่มอายุไม่มากที ในใจก็คิดแต่เรื่องการหาความสุขการหาความสำเร็จอะนน้นก็ดีอยู่นะมันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแต่ว่าอย่าอย่าลืมความจริงของชีวิตนะอย่างที่พูดมานี่นแหละครัที่เรา มาอยู่ น, นี่ยังมีลมหายใจยังมีเรื่องมีแรงพาตัวเองเดินจากกุฏิมาถึงนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ให้ใช้สิ่งใช้โชคให้เป็นประโยชน์ฝึกเตรียมฝึกตฝึกใจนะจริงจริงการที่เรามาเจริญสติมาทำสมาธินี่ อันนี้มันเป็นการเตรียมตัวมันเป็นการเตรียมใจที่ดีมากในการที่จะรับมือความทุกข์ข้างหน้าเพราะมันการทำมันเป็นการฝึกใจรใ้อยเห็นความจริงว่าไอความทุกข์นี่มันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่มันไม่ทําให้ใจทุกข์นะจนกว่า ใจเราจะเปิดช่องเรือไปร่วมมือด้วยศูญเสียพัดภากใจก็ไม่ทุกใจไม่ทุกก็ทําได้นะเจ็บป่วยแต่ใจไม่ทุกก็ได้ตายใจก็ใจไม่ทุกก็ได้แต่ใจจะไม่ทุ ก, กต้องฝึกนะก็ฝึกใจนี่แหละ การที่เราได้มาอยู่วัดมาได้บวช น, น, นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าถ้าไปอยู่ข้างนอกนี่ก็ก็บางทีแท้จะไม่มีโอกาสเลยได้ฝึกต้องิ้นลนอยู่ไปวันวันกินวันต่อวัน ยิ่งได้มาบวดพรานนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วโอกาสได้มาถ้าไม่ใช้นี่ก็ อ, อาจะถูกลงโทษนะรุนแรงกว่าคนที่ไม่มีโอกาสคนที่ไม่มีโอกาสนี่อาจจะถูกลงโทษได้ไม่ไม่มากแต่คนที่มีโอกาสแล้วไม่ไม่ใช้นี่ ในถูกลงโทษหนักมากใช้เวลาที่เราอยูนะ่โอกาสที่เรามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะไม่ใช่ปล่อยไปอยู่ไปวันวันหนึง่งให้ความเป็นพระของเราความเป็นนัก บ, บวของเราสักวันหนึ่งก็มีวันสิ้นสุดนะถามใจเราเองบ้างนะบวช วันหนึ่งบวดมานีแตาละวันได้ได้อะไรบ้างหรือถามหมายว่าต่ละวันนี้ทำอะไรบ้างคิดแต่ถามว่าจะได้อะไรแต่ไม่ถามว่าทำอะไรนี่มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ถูกเพื่องถามวันคือล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ใช้ชีวการเป็นนักบวชของเรา เป็นักปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์อย่างน้อยก็มีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีสติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ไปอยู่ไปความรู้สึกตัวก็ลดลงลดลงลดล ง, ลดลงความหลงก็มาแทนที่มากขึ้นมากขึ้นในการ พิการบ่วงของเราแต่ละวันตลอดมันมีค่ามากโอกาสที่คนจะได้มีอย่างเรานี่ก็น้อยแล้วก็แต่ละวันก็หมดไปหมดไปหมดไปพอหมดแล้วก็ต้องถูกผลักเข้าไปสู่วังวนนะแห่งความวุ่นวาย แล้วก็ร้อนรุ่มแล้วก็ จ, จะพัดหลงไปเจอทั้งสูญเสียของรักคนรักแล้วก็เจอความทุกข์ก็นํำประดังประเดะเข้ามาหลายคนก็เอาตัวไม่รอดนะเอาตัวไม่รอด บางคนก็ต้องกระเสือกระสนกลับมาไปได้ไม่กี่ปีก็เสือกระสนกลับมาเพราะไม่ไหวแล้วแต่บางคนก็มีอาการกระเสือกระสนกลับมาด้วยที่ฆ่าตัวตายก็มีรูกายเป็นบ้าก็มีอย่างที่เคยเล่าเนียเล่า หลวงพ่อสุมเมโตนั่นเล่ามีผ้ารูปหนึ่งเนี่ยมาชวนท่านให้มารู้จักหลวงพ่อชาก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อชาแต่ผ้ารูปนั้นตอนหลังก็ศึกษาลาเพศไปตอนที่อยู่ก็ คอยตำหนิคนน้อนคนนี้ว่าไม่เคร่งวินนะัยหย่อนหย่อนวินัยคอยจี้คอยเพ่งโทษอนคนอื่นเขาก็าระอาเพราะทันเคร่งมากแลล้ววันดีคือเดีก็สึกไปสึกไปไม่นานก็ก็ติดเหล้า ติดเหล่าก็ไม่รู้พงไปพาธาเสียชีอะไรแต่จเจอความทุกข์แล้วหาทางออกไม่เจอก็เลยหาเหล้าเป็นเครื่องทดแทนเครื่องกล่อมใจหรือไม่ก็อาจจะเพราะว่าเพลินกับความสุขเพลินไปเพลินมาก็เลย เจอเหล้าเสร็จเหล้าไปเลยกินเลหล้าตอลางกินจ น, นติดเหล้าแลก้กลายเป็นโลกกลายผู้เมายํำเปทําทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครเชื่อถือจากคนที่เขาเคารพนับถือเป็นพระกราบไหว้เป็นที่เขายัางนับถืออยู่ตอนเมามาก ทำงานทําการไม่ไหวดู้าตัวไม่รอดต้องมาอยู่วัดเป็นพานโรงเป็นช่วยงานวัดแบบพวกพวกที่หมดที่ไปดูว้ก็เป็นที่ละอาเมาตอนหลังก็ ไปพวกจรนจัดไรบ้านแต่เป็นขอทานไปคุยขยะเอาขยะไปขายแล้ววันนี้ก็โดนรถชนตายขนาดมากก็เลยว่าการบวชเป็นพระมันวงแทบไม่ได้ช่วยเลย น่ะไปได้ดีนะในในทางนั้นแต่ว่าเพราะว่าเอาแต่เพ่งโทษคนอื่นไม่ดูจิต ด, ดูใจตัวเองบวชไปสึ ก, กว่าปีก็ไม่รู้ทําอะไระสึกออกไปแล้วก็เอาตัวไม่รอดเมาย้ยาเปตายเหมือน กลายเป็นศบไม่มีญาติให้แบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น น, น้อยๆนะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ไม่กี่คนแล้วเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ในคณีเป็นพระให้เป็นนักบวชแล้พอ ไปเจอสิ่งเย้ายวนโดยที่ไม่มีผ้าเหลืองคุ้มครองก็ไปเดี๋ยวเจอสิ่งยั่วยุทำให้กลุ่มบองคุ้มใจเครียดก็ไปติดเล่าไปหาเล่าเป็นทางออกก็เสร็จไม่แปลว่าบวชพระแล้วมันจะไปบวชพระจะประสบความสุขความจเจริญได้นะ ทำให้แย่หลวงก็ได้เพราะตอนที่บทพภายไม่ได้อยู่สบายเกินไปนะไม่ได้ต่อสู้ย้นรนเวทนาไม่ได้ฝึกฝนเกิดความประมาทมีคนไหว้มีคนเอาของมาให้เอาอาหารมาให้ก็ประมาทเคยรู้จัก พรยอีกรูปหนึ่งก็ก็อยู่ตั้งศึกกับปีความรู้ความสามาก็เยอะแต่ศึกไปได้ศึกกับปีก็ติดเล่าทรงที่ต่อเป็นพระนี่ก็ต่อต้านเรื่องกานอาบายามุกทั้งเทศทั้งพูดทั้งเขียน ตัวหลังก็ฆ่าตัวตายปืนกรอกปากยิงอวกนี้จบไม่สวยนั่นแหะเพราะว่าเพราะวันแต่ละวันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไปเพื่อการฝึกตนฝึกใจเท่าไหร่นี่ขนาดเป็นพระนะนนถ้าไม่ได้บวชพระไมไ่ปฏิบัติทีก็ จ, จะ อาจจะหนักแต่ก็ไม่แน่บางหลายคนที่เขาบวชไม่ได้บวชคร่าเป็นฆราห์เเขาก็สามารถจะดูอย่างไม่ประมาณชีวิตของฆราห์บางทีก็เตือนตัวเตือนใจให้ให้ขวนขวายกิจใจเข้มแข็งแล้วก็ฉลาดในการแก้ปัญหาชีวิต ก็มีเยอะตือนใจไว้เสมอว่าไอความสุขสบายของเราความสุขสบายของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีวันสิ้นสุดไอวันที่เราเป็นผู้เป็นคนมันก็กำลังนับถอยหลังไปเรื่อยๆ ถอยหลังไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเันที่เราสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้ทำอะไรตามสบายมันก็กำลังหมดไปหมดไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆอะไรที่มันแย่ไอ้ที่ความทุกข์ความลำบากนะหรือความทุกข์ทรมานก็ก็กล้เข้ามาหาเรานะ มากขึ้เรื่อยๆมากขึ้เรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย ๆ, อ ย, ๆ, อ, ยๆอย่างที่บอกไว้แล้วให้ความสุขความสบายของรักของที่พอใจมันหมดหายไปนี่อันนี้ก็แยกพอแรงอยู่แล้วแถาไม่เจอสิ่งตรงข้างกับอีกเจอสองเด้งกันไปเลยยังไม่ทันจะเสียอกเสียใจอะไรอวรก็ต้องไปเจอ ก็ความทุกข์ความยากความลําบากความเตจ็บความป่วยยก็ต้องใช้ให้ต้นหนักให้เตือนตัวอยู่เสมอว่าในวันที่เราจะอยู่สบายนะเป็นผู้เป็นคนมันกำลองผลด้ายไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า ในวันที่จะต้องเจ็บป่วยหรือเจ็บปวยทุกทรมานมันก็กำลังขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆถ้าเราฝึกใจไว้นะเราก็จะมีวิชาที่จะอยู่กับความทุกข์ความยากได้โดยที่ใจไม่เป็นทุกข์ ถึงวเวลาจะตายก็ตายด้วยใจที่เป็นปกติสุขได้ไม่ต้องทุรนทุรายแล้วก็นึกเสียดายว่าชีวิตที่ผ่านมาปล่อยให้มันสูญเปล่าอย่างไรประโยชน์อชอเนี้พูดกันทน้กราพะ